ลำดับสองโสระสะยานนิเทศแสดงยาน16อย่างจิตฟุ้งซ่านและจิตสงบละ ง, งับย่อมลำนงอยู่ในความเป็นธรรมอย่างเดียวและย่อมหมดจดจากนิวรด้วยอาการ16เหล่านี้ก้อ364หน้า228ความเป็นธรรมอย่างเดียวเหล่านั้นเป็นฉนหนคือเนกขมมะความไม่พยาบาทอโลกะสัญญา ความไม่ฟุ้งซ่านความกำหนดธรรมญาณความปราโมทกุศลธรรมทั้งปวงแต่ละอย่างเป็นธรรมอย่างเดียวนิวร น, นั้นเป็นชไหนคือการมฉันทะพยาบาทถีณามิทะอุทจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาอวิชชาอัลติอกุศลธรรมทั้งปวงแต่ละอย่างเป็นนิวรน ข้อ3า5าคำว่านิวรนความว่าชื่อนิวรนพระอัตว่าอะไรชื่อนิชื่อว่านิวรนพระอาดว่าเป็นเครื่องกั้นทำเครื่องนํำออกทำเครื่องนํำออกเป็นะนหนคือเนครมะเป็นทำเครื่องนํำออกของพระอริยเจ้าทั้งหลายในพระอริยเจ้าทั้งหลายถูกนํำออกด้วยเนครมะนั้นการปชันทะ เป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกและบุคคลไม่รู้จักเน่ขมมะอันเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอิยเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นผู้ถูกการปชันทะนั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นการปชันทะจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกความไม่พยาบาทเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอิยเจ้าทั้งหลายและพระอิยเจ้าทั้งหลายถูกนําออกด้วยความไม่พยาบาทนั้นความพยาบาท เป็นเครื่องกั้นทำเครื่องนําออกและบุคคลไม่รู้จักความไม่พยาบาทอานเป็นทมเครื่องนาออกของพระยาเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นผู้ถ ouais. ูกความพยาบาทนั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นพยาบาทจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นทำเครื่องนําออกอโลกะสัญญาเป็นทำเครื่องนําออกของพระยเจ้าทั้งหลายและ พระอริยเจ้าทั้งหลายถูกนําออกด้วยอโลกะสัญญานั้นทีนัมิทะเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกและบุคคลย่อมเป็รู้จักอโลกะสัญญาอันเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นผู้ถูกทีนัมิทะนั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นทีนัมิทะจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกควาไม่ฟุ้งซ่าน เป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอิยเจ้าทั้งหลายและพระอิยเจ้าทั้งหลายถูกนาออกด้วยความไม่พุ่งซ้านนั้นอุทจจะเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกและบุคคลย่อมไม่รู้จักความไม่พุ่งซ้านอันเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอิยเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นพูทถูกอุทจจะนั้นกั้นไวเพราะเหตุนั้นอุทจจะจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ความกำหนดธรรมเป็นธรรมเครื่องนำออกของพระยาเจ้าทั้งหลายและพระยาเจ้าทั้งหลายถูกนำออกด้วยความกำหนดธรรมนั้นวิจิกิจฉาเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนำออกและบุคคลย่อมไม่รู้จักความกำหนดธรรมอันเป็นเครื่องนำออกของพระยาเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นผู้ถูกวิจิกิรฉานั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นวิจิกิจฉาจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนำออก ญานเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระายาเจ้าทั้งหลายและพระายาเจ้าทั้งหลายถูกนําออกด้วยยานนั้นอวิชาเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกและบุคคลย่อมไม่รู้จักยานอันเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระายาเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นผู้ถูกกวิชานั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นอวิชาจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ความปราโมทเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระยาเจ้าทั้งหลายและพระยาเจ้าทั้งหลายถูกนาออกด้วยความปราโมทนั้นอารติเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกและบุคคลย่อไม่รู้จักความปราโมทอันเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระยาเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นพุทธุอารตินั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นอารติจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก กุศลธรรมแม้ทั้งปวงก็เป็นธรรมเครื่องนําออกของพระยาเจ้าทั้งหลายและพระยาเจ้าทั้งหลายถูกนําออกด้วยกุศลธรรมเหล่านั้นอาคุศลธรรมแม้ทั้งปวงก็เป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกและบุคคลย่อมไม่รู้จักกุศลธรรมให้เป็นธรรมเครื่องนําออกของพระยาเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นผู้ถูกอาคุศลธรรมเหล่านั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้น อักกุศลธรรมแม้ทั้งปวงจึงชื่อว่าเป็นธรรมเครื่องกัน้นธรรมเครื่องนำออกก็แลแม้พระโยคาวจรผู้มีจิตหมดจดจากนิวร์เหล่านี้จเจริญสมาธิอ่านปฏิสังยุทธ์ด้วยอนาปานสติมีวัตถุ16อยู่ความที่ตั้งจิตมั่นเป็นไปชั่วขณะย่อมมีได้จบสรสัญนิเทศที่สอง